สารบัน 1 ทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็น อีกอย่างนึงใน 2 สภาพของโลกอุปปาติกะ หรือจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 3 คน าย, 4 ผู้ 5 ผี 6 ยมบาล 7 ต้นเม 8 เมือง 9 ควร 10 ภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่ 11 พระภูมิคืออะไร 12 เทพบุตร 13 เหตุเห 14 วิธี 15 เหตุไร 16 วิญญาณ 17 ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจขณะที่คน 18 สายใย 19 ต้นไม้ใน 20 ใน